นราสะโพเนเกสโซบเวสซติงสะปารมีนามามิศิราสานิจังปเรตวะอาคโตวรางโมคกังนาโทพิชันโต ดาวยังหิตวาสรรทักางโมทังวเนสุโุการางนามามิศราสาทรงางพระนราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีสามสิบทัศนับพบนับชาติไม่ท้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้ว ข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระนราสพะผู้เสด็จมาดีแล้วพระ อ, องค์นั้นด้วยเสียงกล้าวเป็นนิดพระนาถาทรงปราถนาโมกษธรรมทรงพระรสระพระราชโอรสและพระมเหสีทั้งสองทอมพร้อมได้แว่นแขวนแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมพระนาถเาจ้าพระ อ, องค์นั้นผู้ทำสิ่งได้ยากพระ อ, องค์นั้นด้วยความเคารพเอือเ้อเฟื้อ ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติยอมญาติวิต ท, ทั้งหลายในวันนี้ได้มาปารบในการทำบุญถวายทอดผ้าพระกฐินที่วัดโพคอยแห่งนี้ซึ่งก็มีตะโกนวงสถิต ซึ่งมีคุณแม่พันนีวงสถิตเป็นประธานพร้อมด้วยญาติมิตรชาวบ้านวัดโพคอยทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการทำบุญทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ในวันนี้เราท่านทั้งหลายขอให้เรามา ล, ลึกถึงการที่เราจะมาประกอบกุศลในการที่จะ ดำเนินตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของการที่เราท่านทั้งหลายจะมาทำบุญทอดผ้าพกฐินเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่ในทั่วโลกเมื่อถึงการเห็นการออกพรรษาของพระภิกษุก็จะมีเวลาในการจัดเตรียมในงานทอดผ้าพกฐินเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งเดือน แค่นั้นก็เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายก็จะต้องทําความเข้าใจในเทศการแห่งการที่เราจะทําบุญถวายผ้าพระกฐินให้ชัดเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมที่เราท่านทั้งหลายได้กระทําสืบสืบต่อกันมาในเรื่องของกฐินเนี่ยมีความสําคัญที่ควรทําความเข้าใจสองคำก็คือคําว่ากรานกฐินกับคําว่าทอดกฐิน กรารกระถินเนี่ยเป็นพิธีกรรมในฝ่ายของพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะก็คือโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับยะโยงส่วนคำว่าทอดกระถินเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยให้พระสงฆ์กรารกระถินได้สะดวกขึ้น แรกเริ่มทีเดียวเนี่ยมีการกรารกระถินก่อนต่อมาก็ทอดกระถินการเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการกรารกระถินนั้นการกรารกระถินเนี่ยเป็นพุทธบัญญัติเป็นวินัยบัญญัติที่ให้พระสงฆ์จัดทำขึ้นทอดกระถินเป็นพิธีที่มีตามกันมากรารกระถินมีความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นว่าครั้งหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ที่เชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นมีพระภิกษุสงฆ์สามสิบรูปเดินทางมาจากเมืองปาถาเพื่อจะมาเข้าเฝ้าก็สำมาสมุตตเจ้าแต่เดินทางมาไม่ทันเหลือระยะเวลาอีกประมาณ6โยทยอดละสิหกกิโลเมตรไม่สามารถที่จะเดินทางไปทันการการเข้าพรรษาถึงเวลาเข้าพรรษาเสียก่อน พระภิกษุชุดนั้นทั้งหมดเหล่านั้นคณะนั้นสามสิบรูปจำต้องจำพรรษานาะทีนั้นแล้วก็รอเวลาอยู่สามเดือนพอออกพรรษาแล้วเนี่ยฝนนั้นยังไม่หมดเพราะปกติเนี่ยในฤดูฝนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งมีสิบสองเดือนเป็นฤดูฝนแค่สี่เดือนถ้าที่จำพรรษากันสามเดือน พอจำพรรษาสมเดือนแล้วก็เหลือฤดูผลอีกหนึ่งเดือนฉะนั้นพอออกจากจําพรรษาครบไตรมาสสามเดือนแล้วพระทั้งสามสิบรูปนั้นนะ่ะก็รีบเร่งเดินทางจาริกที่จะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันทีนี้ฝนยังชุกอยู่ก็เดินทางด้วยความลําบากต้องเปรียกปอนกันบ้างทั้งจีวรบ้างโคนตมบ้างในยุกกรทําให้การเดินทางขุกขักลําบากมาก และในที่สุดจริงๆก็สามารถเดินทางมาถึงวัดเชตวันมหาวิหารก็เปียกปอนมอมแมมและต่อมาก็ได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ประทับแล้วก็ทูลให้ทรงทราบความเป็นไปแล้วพระองค์ได้ทรงวางพุทธบัญญัติว่าอนุญาตให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสสามเดือนแล้วเนี่ยกรารกระถินฉะนั้นการกรารกระถินจึงเกิดมีขึ้นอย่างนี้นับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา การกรานกะถินเนี่ยมันมีความหมายว่าพระสงฆ์ที่จําพรรษาครบทวนในวัดเดียวกันเนี่ยก็มาประชุมกันมีมติในการที่จะมอบผ้าที่หามาได้หรือได้รับมาโดย ว, วิธีการที่ถูกต้องให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งในคณะของตนที่อยู่ในอาวาสนั้นพระภิกษุผู้ได้รับแล้วก็นาผ้านั้นไปตัดไปเย็บไปย้อมเนี่ยนะ ทำเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งขึ้นมาในให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวแล้วก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อที่ประชุมอนุโมทนาคือให้ความเห็นชอบแล้วก็ เ, เ, เป็นอันเสร็จพิธีอย่างนี้เป็นต้นผ้าที่ใช้ประชุมในการพิจารณานั้นเนี่ยแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั้นเน่เขาเรียกว่าผ้ากระถินอย่างวันนี้ที่เราจะมาจัดทำกันเนี่ยเขาเรียกผ้ากถิน ที่ว่าทําเป็นกีวอนผืนใดผืนหนึ่งนั้นก็คือว่าเขาเรียกไตรกีวอนยอมได้ยินคําว่าไตรกีวอนเนี่ยไตรหนึ่งแปลว่าสามกีวอนก็คือมีกีวอนสามผืนเห็นไหมพระที่ท่านใช้เนี่ยที่พาดอยู่บนบ่าเนี่ผืนหนึ่งที่ใช้ห่มในผืนหนึ่งแล้วก็ใช้น่งอีกผืนหนึ่งเขาเรียกกีวอนกันทางนั้นแหละเขาเรียกไตรกีวอนสามผืนแต่ทีนี้พอมาเรียกกันใหม่เนี่ยนะ ในเรื่องของภาษาสามัญก็เรียกว่าถ้าผ้าพื้นใดเอามาหม่มพื้นนั้นจะเรียกว่าอุตราสงเนีภาษาพระเรียกว่าอุตราสง์ก็คือจีวร น, นั่นแหละจีวรผื้นใดเอามาพาดไหลแต่โบราณจริงๆเนี่ยเขาใช้ห่มซ้อนในฤดูหนาวเนี่ยพืนเนี้ยแต่ในเมืองไทยเราเป็นฤดูร้อน อากาศร้อนก็เลยใช้ผ้าแทนเขาเรียกว่าสังคติจริงๆก็คือจีวรนั่นแหละส่วนอีกผืนหนึ่งเอาเป็นนุ่งนะไม่ได้ห่มเอาใช้นุ่งภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าสบงใช่ไหมสบงอุตราสองสังคติรวมทั้งสามผืนเรียกว่าจีวรใช่ไหมเรามาถวายอย่างเงี้ยเขาเรียกผ้าไตรจีวรเข้าใจยัง ถวยายพระไตรจีวร น, นี่แหละพระไตรจีวรสามผืนนี่แหละที่ญาติโยมสมัยก่อนพระต้องหายเองพอพระ อ, ออกพรรษาปุ๊บมีเวลาหนึ่งเดือนก็เรียกได้อานิสงส์พรรษาเริ่มจากสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเนี่ยนะไปจะถึงกลางเดือนสิบสองก็หนึ่งเดือน ในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยพระก็ไปขนขวายในอาวาสนั้นไปหาจีวรกันแต่ก่อนเนี่ยหาจีวรใครหาจีวรมันเพื่อจะได้พมาต้องมามามาม า, มาผัดเปลี่ยนของตัวเองเนี่ยแต่มีพุทธบัญญัติว่าให้ภิกษุในอาวาสนั้ น, นช่วยกันขนขวายหาจีวรสมัยก่อนเขาไปหาที่ไหน เขาไปหาจีวรหาผ้าเก่าที่ตกตามร้านผ้าไอ้ผ้าเก่าที่ญาติโยมก็ทิ้งในป่าช้าบ้างบนซากศพ บ, บ้างเป็นต้นเหล่านี้ไปหามาหามาไปเสร็จแล้วก็มามาซักมาย้อมแล้วก็มาตัดแล้วก็มาทำเป็นจีวรแต่การออกพรรษาแล้วนะพระในอาวาสนั้นก็ประชมหาจีวรกันมีเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็ทำหามาเมื่อได้จี ว, วรไปเสร็จมาแล้ว ก็มาประชุมกันในวัดนั้นแต่ก่อนไม่ได้เกี่ยวกับโยมนะเกี่ยวกับพระโดยตรงมาประชุมกันเสร็จแล้วก็มาพิจารณาถึงว่าใครสมควรได้จีวรถ้าพระรูปใดรูปหนึ่งไม่มีจีวรมีจีวรเก่ามีจีวรขาดพื้นใดพื้นหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นสบองก็ได้อุตตราสงฆ์ก็ได้สังฆติก็ได้ก็พากันประชุมแล้วก็มอบมอบผ้าผื้นนั้นน่ะให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ขาด หรือมีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวไว้ตามพุทธบัญญัติเมื่อได้ ม, มอบให้องค์หนึ่งแล้วพระที่เหลือก็อนุโมทนากับองค์ที่ได้ด้วยเพราออนุโมทนาปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าได้อานิสงฆ์พระที่อยู่ในอาวาสนั้นได้อานิสงฆ์อานิสงฆ์เลื่อนไปยังไงยืดเลยทีเนี้ยจากกลางเดือนสิบสองยืดไปจนถึงกลางเดือนสี่นูนไปกลางเดือนสี่ไปอีกสี่เดือนน่ยยองเนี่ย ได้อา น, นิสงฆ์ยังไงตามพุทธบัญญตัติหนึ่งพระที่ไปนั้นนะไปไหนไม่ต้องบอกลาปกติพระเนี่ยจะไปไหนมาไหนจะต้องบอกลากันเป็นต้นเหล่านี้แต่อา น, นิสงส์กฐินเนี่ยพระเจ้าทรงมีพุทธานุญาตว่าไปไหนเรียกเร่งด่วนไปหาจีวรได้โดยไม่ต้องบอกลาสองไปไหนไม่ต้องเอาไตรจีวรไปครบปกติเนี่ยพระไปไหนจะต้องสามผืนไปครบ แต่พอได้อ น, นิสงฆ์กฐินอ น, นิสงฆ์การโมทนากถินแล้วเนี่ยไปไหนอไปสองผืนได้ไม่ต้องถึงครบสามผือนอย่างนี้เป็นต้นสามฉันคณะโภชนะประรำประโภชนะเป็นต้นได้หมายความว่าปกติเนี่ยเวลาพระรับนิมนต์โยมมานิมนต์ปุ๊บไประบุชื่ออาหารเช่นท่านเจ้าค่ายมปราถนาจะถวายให้ก๋วยเตี๋ยวแ ก, แก่ท่าน พระรับนิมนต์แล้วมาร่วมฉันกันตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเนี่ยเป็นอบัตนะทุกคำกลืนเนี่ยเป็นอบัตพอไปเจาะจงระบุชื่ออาหารแต่พอได้อา น, นิสงส์กรถินปุ๊บสามารถระบุยอมระบุอาหารได้วันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวถวายวันนี้จะแกงไก่ถวายเลยเนี่ยไม่เป็นอบัตเนยไม่เป็นอบัตพระฉันได้ไม่เป็นอบัตอย่างและประการต่อมาคือว่าจีวร ที่เกิดขึ้นในอาวาสนั้นในวัดนั้น น, นอย่างย ก, ยกอย่างเช่นวัดโพคอยเนี่ยภิกษุที่อยู่ในวัดนั้นมีสิทธิ์ในการได้จีวร น, นั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือว่ากระถินเห็นไหมทีแรกคําว่ากรานเนี่ยแปลว่าพระเนี่ยามาจัดแจงกันเองแล้วก็มาประชมุมประชุมแล้วก็มอบให้กับรูปใดรูปหนึ่งนั่นแหละเขาเรียกกรานกระถินทีนี้พออยู่ต่อมาเห็นไหม ทำไมพระเจ้าจึงสอนตรงนี้คือให้พระทุกรูปในอาวาสนั้นเกิดสามัคคีกันประชุมกันสามัคคีกันช่วยเหลือเกือ่อเจือจุนซึ่งกันและกันยอมสละที่จะหาจีวรให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนี่เขาเรียกว่าชสร้างอะไรสังฆสามคัคคีให้เกิดความสามคัคคีกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่น้ำกับน้ำมันนะเหมือนน้ำกับน้ำนม มันเข้ากันแนบสนิทชิดเชื้อเป็นเนื้อเดียวกันเงี่ยเป็นต้นต่อมาโยมอยากจะมีส่วนเอาและแต่เนี้ยแต่ก่อนไม่มีคำว่าทอดมีคำว่ากรานทนี้โยมอยากจะมีส่วนในการร่วมบุญกับถินด้วยโยมก็เลยไปขอแจ้งความจำลองว่าเอ๊โยมจะมีสิทธิ์ได้ไหมก็เลยมีพุทธานุญาตบอกได้ได้ก็คือโยมไปหาผ้ามาโดยที่พระไม่ต้องแล้ว พระไม่ต้องกิจกรรมในการหาผ้าพระไม่ต้องเป็นกิจกรรมที่โยมโยนก็โยมก็ไปหาสมัยก่อนเนี่ยโยมต้องไปหาไปปลูกฝ้ายเองไปปลูกอะไรเองนะแล้วก็มาทอใช่ไหมเอามาปั่นเอามาทอทอเบเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นผ้าพื้นใดพื้นหนึ่งขึ้นมาเบเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเย็บมาย้อมทําให้เหมือนจีวรของพระนี่แหละมีการตัดเป็นห้าขันเจ็ดขันเก้าขัน แล้วก็มาเย็บให้ดีถูกต้องตามบรมพุทธานุญาตเบ็ดเสร็จก็เอามาเลยทีนี้มาที่วัดใดวัดหนึ่งอย่างที่ยอมทํากันวันนี้แหละยอมเตรียมผ้ามาแล้วแปลว่าอะไรยอมไม่ใช่ทำคนเดียวแล้วในบ้านนั้นในอําเภอในในตําบล น, นั้นในหมู่บ้านนั้นประชมกันเลยทีนี้ยเกิดอะไรเกิดสมานสามัคคีกันขึ้นมาเนี่ยจากไปสามัคคีในวัดไม่พอแล้วทีนี้ไปสามัคคีในบ้าน พอไปสามวันขี้กันมาบอกโอ้เนี่ยเป็นงานบุญนะกระถินเป็นการละทานนะทานที่ทําได้เฉพาะการเวลาเลยเดือนสิบสองขึ้นสิบหําเดือนสิบสอไปแล้วหมดเขตนะนั้นเป็นการละทานเป็นทานที่มีบุญมากเป็นทานที่ถวายเดชสงไม่ได้จาะจงภิกษุรูปใดรวบหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยทุกคนก็ขนขวายกันใหญ่กระตือรือร้นกันใหญ่อยากจะได้บุญอยากจะขนขวายกันเรี่ยก็ช่วยกัน สมัยก่อนจริงๆเขาช่วยกันในการหาอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็มาช่วยกันมาช่วยกันทอผ้ามาช่วยกันเย็บมาช่วยกันตัดมาช่วยกันย้อมนะก็เป็นกิจกรรมสนุกสนานทำเสร็จแล้วก็เอามาถวายแกพระในอาวาสนั้นนี่แปลว่าอะไรสามัคคีต่อในวัดเชื่อมโยงไปสามัคคีญาโยมและต่อมายอมก็เอามา ให้สังเกตดูนะยมสังเกตดูวิธีทอดเนี่ยทําไมเขาจึงเรียกทอดรู้ไหมทําไมเขาจึงเรียกว่าทอดคําว่าทอดนี่พอมาเสร็จแล้วนิมนต์พระมานั่งแล้วเนี่ยเขาเอาผ้ามาวางไว้โดยไม่ถวายโดยไม่ประเค้นสังเกตดูไหมเขาจะไม่ประเค้นหรอกเขาแปลว่าทอดธุระพอทอดธุระเบเสร็จปุ๊บให้สงฆ์ไปพิจารณากันเอง แล้วแต่ท่านจะเอาไปไปประชมกันในอุโบสถแล้วก็จะประชมให้กับพิกษุรูปใดที่มีคุณสมบัติมีคุณสมบัติรู้ปุปพภกรรู้อะไรก็ต่างๆตลอดถึงถ้าไม่ไม่เกี่ยวนั้นก็คนที่ขาดมียวีวรมีไตรจยียวรที่ขาดเป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกว่าทอดทอดก็คือเอามาวางไว้ทอดทุลาให้เป็นทุลาของสงฆ์หมดหน้าที่ของโยมแล้วกิจกรรมของโยมเสร็จตอนไหน สดเสร็จตรงที่เอาเอาจีวรมาวางทอดไว้แล้วก็แล้วก็รับศีลรับผ่นนี้จบแล้วนะกิจกรรมของโยมจบตรงนั้นต่อไปเรื่องกรานกรถินเป็นเรื่องของพระพระก็เอาไปประชุมไปสวดประกาศเพื่อจะเอาให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามพระทานุญาตเนี่ยเห็นไหมหนึ่งยอมทอดกศิน สองพระมีหน้าที่การก ร, กรถินอันนี้ดูรายละเอียดตรงนี้พอให้เข้าใจให้ชัดที่ประการต่อมาทีนี้บุญเกิดมากได้อย่างไรเนี่ยนะทำไมทอดกถินถวายผ้าพระกระถินจึงนิยมว่ามีเป็นบุญมากเป็นบุญใหญ่หลายหลายคนก็ขนขวายอยากจะทำอยากจะทอดกันเออก็าถือกันยังไงให้สังเกตดูนะว่าทานโดยเท่ทั่วไปเนี่ย ที่เราไปถวายแต่สงเนี่ยนั่นจะมีอานิสงส์เฉพาะโยมที่ไปถวายแต่กรถินเนี่ยผ้ากรถิญเนี่ยได้อานิสงส์สองฝ่ายพระที่อยู่ในอาวาสนั้นก็ได้อานิสงส์ด้วยโยมที่มาทอดก็ได้อานิสงส์ด้วยเห็นไหมเนี่ยคาว่าได้อานิสงส์ของพระก็คือว่าหนึ่งพระที่รับกรถินโมทนากรถินในอาวาสนั้นแล้วเนี่ยภิกษุในอาวาสนั้ น, นไปไหนไม่ต้องบอกลา ไปไหนไม่ต้องพรดเอาพระไตรจีวรไปครบรันอาหารระบุชื่อได้เห็นไหมจีวรที่เกิดขึ้นเป็นของได้แก่เธอแล้วก็ยืดอานิสง์ไปจะถึงในการแสวงหาจีวรเนี่ยไปจะถึงกลางเดือนสเนี่ยอานิสงอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าให้อะไรโยมให้ความสะดวกแก่พระสงฆ์ให้พระสงฆ์ได้ได้สมหวังให้พระสงฆ์ได้สมปรารถนา เมื่อเราเนี่ยเราเนี่ยให้ความสมหวังแก่พระสงฆ์โดยไม่ได้จอดจงแล้วเนี่ยให้ความสมหวังแก่สมุติสงฆ์มันไปกระทบไปจนถึงอริยสงฆ์ด้วยพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสแตระวัดแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยท่านเป็นตัวแทนของพระโสดาบันท่านเป็นตัวแทนของพระสกาทาคาท่านเป็นตัวแทนของพระนาคาท่านเป็นตัวแทนของพระรหัฉะนั้นเวลาเราถวายแต่สงฆ์เนี่ยไม่ใช่ถวายเฉพาะแต่สมุติสงฆ์แนววาดนั้นเท่านั้น กระทบไปจนถึงอริยสงฆ์ในสังฆมงคลทั้งสิ้นมีใครเป็นประมุกมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุกตรงนี้แหละกุศลแรงตรงที่ว่าเราให้ความสะดวกให้ความสมหวังแก่พระสงฆ์นั้นนี่อย่างหนึ่งทีนี้การที่จะเป็นกรถินหรือไม่พอมาระยะหลังขอขอรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยให้เฉพาะผ้าเป็นกรถินใช่ไหม ไม่มีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องแต่พอต่อมาเนี่ยญาติยมบอกว่ามันไม่จุใจเขาใจยังแค่ผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่อิ่มใจขออย่างอื่นด้วยโอ้โหตามมาเยอะเลยแต่เนี้ยมีทั้งร่มมีทั้งรองเท้าโอ้โหมีทั้งสิ่งของอีกเยอะนักเข้านัเข้าไม่ใช่ร่มไม่ใช่รองเท้าไม่ใช่ผ้าชนะทั้งบาททั้งจีวรทั้งของใช้ ผ้าหม่มเตียงตังอ้โหอีกมากมายยังไม่อิ่มใจอีกไม่อิ่มใจว่าเอาละแต่เนี้ยอยากจะพาะแค่ผ้าเลยปลารบซะเลยแต่เนี้ยเช่นได้ข่าวโฆ้กบอกว่าประกาศบอกว่ากระถินในครั้งเนี้ยปารบจะซ่อมอุโบสถนี่นะเนี้ยไม่ใช่แค่ผ้าอย่างเดียวแล้วกระทบไปถึงการได้ปัจจัยมาแล้วก็บูรณะปฏิสังขร อ, อุโบสถบ้างสรารการประริยนบ้าง ข อ, อฉันบ้างกุฏิวิหารบ้างโอ้อไปกันใหญ่เลยอันนี้เขาเรียกงอกกรถินมันงอกเพราะตัวกรถินจริงๆคือผ้าผื้นใดผื้นหนึ่งเท่านั้นบริวารของกรถินเลยมามากเลยเดีเนี้ยเต็มไปหมดเลยเดีเนี้ยเหตุผลตรงนี้ก็เพราะว่าโยมเนี่ยต้องการความอิ่มใจให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไรก็อยากจะถวายผ้านี้ถวายแด่สง์ให้ความสะดวกแก่สงแล้วไม่พอก็ สร้างขีดปัจใจกันเลยว่าเอาแล้วเราจะปารบจะทำอะไรถาวายเป็นพุทธบูชา ร, รมบูชาสังฆบูชาเป็นต้นเราเนี่ยทํบมพูชาสังฆบูชาเนี่ยลักษณะนี้ก็เลยมีการขยายกันกว้างขึ้นจนทุกวันอย่างที่เราเห็นทีนี้ต่อมาการทอดกระถินดังที่ได้กล่าวว่าหนึ่งยมมีหน้าที่ทอดประการต่อมาคือว่าใครสามารถทอดกถินได้บ้าง ใช่ไหมพระยังอาตมาเนี่ยสามารถทอดกรถินได้ไหมทอดได้แต่ไม่แ ต, แต่แต่ต้องไม่ใช่วัดที่ตนเองจำภรษายังอาตมาจะมาที่เนี่ยมามีสิทธิ์ในการเอาผ้ามาทอดได้เพราะอะไรคนละอาวาัตนั่นจะไป็ภิกษุก็ได้สัมเนนก็ได้เทวดายังได้เลยถ้าเทวดาท่านมีฤทธิ์จริงๆท่านแปลงกายมาร่วมกับเราท่านสามารถเอาผ้ามาทอดกรถินก็ได้หรืออุบาสกอุบาสิกา อย่างในวันนี้คุณยอมคุณแม่พันนีวงสถิตเ น, นี่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยปารลบบ้านเกิดบอกว่าเนี่ยเธอเป็นคนบ้านเกิดที่ตรงนี้ว่างั้นเธอมีญาติอยู่แถวนี้ก็ปารลบบอกว่าอย่ามาชวนชาวบ้านวัดโพคอยก็มาติดต่อทางเจ้าวาดรักษาการเจ้าวาดรักษาการแทนเจ้าวา ด, ก, าาาวาดก็มาติดต่อขอเป็นเจ้าภาพแต่เป็นแบบ ขอเป็นเจ้าภาพแล้วให้ทุกคนมาร่วมเขาเคยเรียกว่ากฐินสามัคคีเกไหมสามัคคีคือสามัคคีทางไหนหนึ่งร่วมกันทำงานเ็าเรียกกายสามัคคีเรียกไหมกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทีนี้มีการสนทนาผู้จ่าปลาใกันในทางที่ดีไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะ ก, กันไม่เบียดเบียนกันพูดจาอ่อนหวานต่อกัน พูดคำจริงต่อกันพูดคำสมัครสมานสามัคคีต่อกันพูดคำไพเราะต่อกันแล้วก็ไม่ไม่โกหกกันไม่ไม่พูดเพอ้อเจอ้อต่อกันอย่างนี้เขาเรียกว่าวจีสามคัคคีใจที่มุ่งดีต่อกันคิดดีต่อกันปรารถนาบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ชาวบ้านวัดโพคอยทุกคนได้บุญกันเยอะ ปรารถนาดีอย่างนี้นะหรือชาวบ้านที่อื่นที่มาร่วมโมทนาในครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้บุญกันให้มากบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทําทั้งหมดนะมอบให้ท่านทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาเข้าใจคําว่าอนุโมทนาไหมให้มีส่วนในบุญนี้ด้วยขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีอายุยืนขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากๆขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขอให้ท่านทั้งหลายมีครอบครัวที่ดีขอให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินกระแสะชีวิตไปตามมรรคาของพระชินเจ้าดำเนินตามศีลตามสมาธิตามปัญญาจนสามารถพ้นจากกิเลสและกองทกเป็นต้นได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าใจสามัคคี จิตที่คิดดีต่อกันมุ่งดีต่อกันการกระทาที่ทำดีต่อกันคำพูดที่ดีต่อกันเนี่ยเรืก็ได้เริ่มได้สามัคคีเท่าไหร่จากกระถิงนสามัคคีที่เป็นภายนอกเข้าสู่มาเป็นกายสามัคคีภายในเข้ามาเป็นวัาวาจาสามัคคีภายในและที่สำคัญที่สุดก็คือเข้าถึงความเป็นผู้มีใจสามัคคีทีนี้ใจสามัคคีเนี่ยมันสาคัญตรงไห น, นพอเชื่อมโยงก้นมาปุ๊บ ไอ้ตัวใจสามคัคคีก็คือเป็นการประชมธรรมะประชมธรรมะเช่นประชมจิตใจให้เป็นเมตตามีความรากักความปรารถนาดีเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจได้มาหนึ่งและประชมกรุณาคือความสงสารคิดจะช่วยคนที่ประสบทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี่ได้มาอีกหนึ่งและประชมมุมได้อหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มุทิตาคือความพรอยยินดีเมื่อคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีคนอื่นมีความสุข คนอื่นได้บุญได้กุศลก็โมทนาด้วยอันนี้ก็ได้มุติตามาอีกหนึ่งได้ความวางใจเป็นกลางให้คนอื่นได้ขนขวายฝึกผลพัฒนาตนเองสรุปแล้วได้อะไรเนี่ยได้ธรรมมสามาัคคีโดยเฉพาะถ้าประชุมสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นปัญญาได้สัมมาสังกปราความดําริออกจากกามดําริในการจะให้จะสละจะแบ่งปัน ดั่มหลีในการไม่เบียดเบียนที่เป็นไปกับเมตตาดั่มหในการที่จะเป็นไปกับกรุณานี่ได้สัมมาสังคปะนี่ประชุมเป็นข้อที่สองได้สัมม า, า, า, า, าวาจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสี่ได้สัมมารการรมตากการกระทําที่เว้นจากกายทุจริตสได้สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ชอบโอโ้ประชุมแล้วเนี่ยสองคือสมาธิฏฐิสมาสังกปปะเป็นปัญญาประชุมอีกสามเป็นห้าเห็นไหม ทางกายกรรมวจีกรรมและอาชีพก็เป็นห้าสามัคคีแล้วและประชมสัมมาวายามะคือความเพียรเพียรในการที่จะละบาปเก่าเพียรในการที่จะละบาปใหม่เพียรในการที่จะเจริญกุศลเพียรในการที่จะอนุรักษ์กุศลให้เจริญไปบูญยิ่งขึ้นไปอันนี้ได้วิริยะมาอีกหนึ่งเป็นหแล้วก็เพิ่มสติในขณะที่มาฟังธรรมะ ในงานบนกรถินในวัดโพคอยเนี่ยก็มีสติกำกับอยู่กับตัวไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงไม่คิดไม่ไม่เอาความรู้สึกล่องลอยไปทางอื่นใช้สติกำกับจิตให้อยู่กับเรื่องที่กำลังฟังคำที่กำลังพูดหรือกิจกรรมที่กำลังทำอยู่อันนี้เป็นสัมมาสติไม่ให้บาปอคติแลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเข้ามาเบียดเบียนในกระแสความคิดนี่ได้สัมมาสติอีกหนึ่ง แล้วในขณะเดียวกันก็ตั้งภาวะจิตที่เกิดความตั้งมั่นขึ้นภาวะจิตตั้งมั่นขึ้นไม่หวั่นไหวพอจิตตั้งมั่นปุ๊บก็กลายเป็นประชมธรรมะสามขีทั้ง8ดเลยหนึ่งความเห็นชอบสองความดําริี่ชอบ 3. การกล่าววาจาชอบ 4. การกระทำชอบ 5. การเลี้ยงชีพชอบ 6. ความเพียรชอบ เสติคือการระลึกมั่นชอบ8ความตั้งจิตมั่นชอบก็ประชุม8ข้อเนี่ยเป็นอะไรเป็นธรรมสามขีแล้วก็มาสมาทานเลยนึกถึงวันที่26ที่ผ่านมามีการเผาพระบรมศพประชุมเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9่าใช่ไหมพวกเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัยกันทั้งประเทศนึกยังไง นึกถึงปฐมบรมราชองค์การปฐมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ท่านบอกว่าในวันลาชาพิเศษท่านบอกว่าเราจยากปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนชาวสยามนี่แปลว่าอะไรแปลว่าท่านปฏิญญานตนเองว่าท่านเนี่ยจะเป็นในหลวงที่ทรงธรรมท่านจะประพฤติทศพิษราชธรรมร ที่บอกว่าทานังศีรังปริจจาขังอาชวังมัทวังตะปังอโกูทังอวิหินสัญจาคันตินจาอาวิโรธนังนี่ไหมนี่เรีย ก, ยกทศพิตราชธรรมท่านจะทรงในทานในศีลในปริจาคะในอาชวังในมัทวังในตะบะเป็นต้นเหล่าเนี้ย ท่านประกาศยืนยันว่าท่านจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมก็แปลว่าท่านจะเป็นราชาที่ประพฤติธรรมท่านจะประพฤติในทศพิตราชธรรมท่านจะประพฤติในราชาสังหาวัตถุสีท่านจะประพฤตินในจักรวัิวัตสิบสองท่านจะประพฤตินในภะราชาภะหา้าเป็นต้นแปลว่าและท่านก็ทำได้จริงๆเห็นไหมเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป ย้อนกลับไปดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ประสูติกวละเดินเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเจ็ดเก้าปุ๊บแล้วท่านว่าไงท่านก็ปร่งอุทานอาสพิวาจาวบอกว่าอโคโหามัสมีโลกสะเฆโถหามัสมีโลกัสะเศทโถหามัสมีโลกัสะอยมันติมาชาตินัตถิธานิบุณพโวท่านก็ชี้นิ้วขึ้นบนฟ้า อีกนิ้วหนึ่งชี้ลงดินบอกว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกต่อไปแปล ว, ว่าเราจะฝึกตนเองให้เข้าถึงธรรมะสูงสุดเราจะฝึกตนเองให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งให้ได้แน่เด้ง เราจากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศอริยสัจให้สัตว์อื่นตัดสรู้ตามให้ได้เนี่ยคือขั้นปฏิญญาณเห็นไหมว่าปฏิญญาณว่าท่านจะเข้าสู่ธรรมะสูงสุดเทยได้และท่านก็ทําได้และในวันขึ้นสิบห้าค่ำ <c oughs> เดือนหท่านก็ได้ตัดสรู้นุตตะสัมมาสัมพธิญาณได้จริงๆนี่เห็นไหม <c oughs> พอมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ก่อนที่ท่านจะเป็นพระราชาทำราชาพิเศษท่านก็ปฏิญญาว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขมหาชนชาวสยามเอาแล้วพวกเราล่ะวันนี้เรามาทอดผ้ากรถินที่วัดโพคอยแล้วเราได้ปฏิญญาอะไรกันไหมหรืออยากจะปฏิญญาไหมเอออยากปฏิญญาไหมบอกว่าถ้าปริญญาของพูทธบริษัท <c oughs> เห็นว่าว่า ข้าพระเจ้าจะทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราเท่าสิ้นชีวิตมอบตนอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้ามอบตนอุทิศถวายแด่พระธร ร, รมมอบตนอุทิศอุทิศถวายแด่พระ ส, สงฆ์ขอสงโปรดจํำข้าพระเจ้าอย่างนี้เอีเคยไหมเคยปฏิญญาณอย่างนี้ไหมข้าพระเจ้าก็ทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราเท่าสิ้นชีวิตขอมีพระพุทธเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้า ขอมีพระธรรมเป็นไปในเบื้องหน้าขอมีพระสงฆ์เป็นไปในเบื้องหน้าขอสงโปรดจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดหรือจะปฏิญญาณบอกว่าข้าพระเจ้ากระทําวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ้นชีวิตขอมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามอบตนเป็นสิทธิ์ของพระธรรมมอบตนเป็นสิทธิ์ของพระสงฆ์ขอสงโปรดจํำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดถ้ายอมปฏิญญาณอย่างนี้เขาเรียกว่ า, ายอมประกาศ เหมือนพระราชาเหมือนพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นประสงนิกรของพระราชามาหากษัตริย์ก็ต้องปฏิญญาณในฐานะที่เป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าก็ต้องกล้าที่จะประิญญาที่จะถอนตนออกจากกิเลสและกองทุกข์เป็นต้นท่นั้นอัลมาก็เลยแนะนําว่าให้โยมเอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในวันที่ทอดผ้ากรถินใช่ไหม เราทอดภากฐถินไม่ใช่ภากฐถิน่ะภ้ากฐถินเป็นประธานแล้วยังมีบริวารอีกมากมายเราก็มาประเิ็นยาณต่อหน้าพระสงฆ์ว่าเอาละเราจะทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเราจะทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเวลาเราให้ทานหนึ่งเราจะให้ทานด้วยศรัทธาเขาเรียกว่าสัทธ า, ทานังให้ทานด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณของพระธรรม เชื่อมั่นในคุณของพระสงค์เชื่อมั่นในคุณความดีที่เราทําเราจะทําใจให้ผ่องใสให้ล่าเริงให้เออบิ่มให้เอเบให้เบิกบานทําจิตให้ฌานฉลาดให้เป็นไปกับยานปัญญานี่ข้อแรกข้อที่สองเราจะให้ทานโดยความเคารพให้ทานสักกัจจะทานังให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมอะไรเรียกว่าเคารพอะไรเรียกว่านอบน้อม ศรัทธาที่เกิดขึ้นความไม่โลภที่เกิดขึ้นความไม่โกรธที่เกิดขึ้นความเพียรที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นกับจิตใจที่มีความนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยอันนี้ก็จะให้ด้วยความเคารพเราก็จะปรุงแต่งจิตให้เกิดความนอบน้อมอะไรเนอะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้กระแสะชีวิตของเรามีแต่คนกระด้างกระเดืองกับเราอ๋อเพราะเราให้ทานไม่เคารพนี่เอง เอาละเราจะทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเราจะให้ทานด้วยความนอบน้อมเราจะให้ทานด้วยศรัทธาประการที่สามเราจะให้การาทานชัดเลยเนี่ยกระถินเป็นการลทานวันนี้ยังไม่ถึงกลางเดือน12บสองยังอยู่ในการที่เราจะทอดผ้ากระถินแด่พระสงฆ์ฉะนั้นเน่ยยอมตั้งใจว่าเราได้ให้ทานที่เป็นการลทานแล้วเนาะเป็นบุญยราบของเราแล้วที่เราได้ให้การทาน ใครที่ให้การละทานแล้วได้ผลนันสูงสุดท่านอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกก่อนพุทธบริษัททั้งหมดเพราะอะไรยอมลองตามดูประวัติท่านสิเพราะท่านอัญญาโกณทัญญะท่านเคยทําการละทานเขาไว้ท่านจึงได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกของบรรดาภาษาวกลองลองมาคือวัปปะ พัิยะมหานามะอัศชิเห็นไหมยศศากุลบุตรสุภาู ป, ปุลณชีขวามปฏิเป็นต้นตลอดถึงเพื่อนสหายของยาศศักที่ท่านได้บรรลุในการที่เหมาะสมเนี่ยเพราะท่านทำอะไรท่านทำการละทานเขาไว้เป็นต้นฉะนั้นโยมจงทำความชื่นใจและภูมิจะภูมใิใจเกิดขึ้นว่าวันนี้เราได้ทำการลทานแล้วเนาะช่วงบ่ายเราจะถวายผ้ากถินเราจะให้ด้วยความ เชื่อมั่นเป็นศัทธาทานังเราจะให้ด้วยความเคารพเป็นสกัดทางนังเราจะให้ด้วยความให้ถูกการถูกเวลาเป็นกาลทานังและเราจะให้ด้วยความที่สละขาดโยมเข้าใจคำว่าสละขาดไหมคุณโยมพันนีเป็นประธานในวันนี้ต้องเข้าใจคำว่าสละขาดสละขาดคือไม่ใช่ให้แค่จีวร มัชชริยะคือความตนีความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจสละทิ้งออกไปด้วยสลาความเห็นแก่ตัวด้วยสลามัชชริยะความตันีด้วยสลาความเกียดค้านทิ้งลงไปด้วยสลาความไม่มีศรัทธาสลาความหลงลืมสติสลาความพุ่งสั้นสลาความไม่รู้ทิ้งไปด้วยนี่เขาเรียกว่าให้แบบสลาขาดเมื่อให้แล้วเนี่ยพระท่านจะเอาจีวรไปทําอะไรอย่างไร ท่านเอาของไปใช้อะไรเรื่องของท่านเราจะไม่มีความงุดหิดแต่เราจะปลื้มใจโูมใจชื่นใจเนี่ยเขาเรียกว่าให้และสละขาดถ้าให้สละขาดจะได้อะไรเมื่อเราได้ของมาได้วัตถุสิ่งของมาแล้วจะเป็นคนที่กล้ากินกล้าใช้กล้าทำบุญแต่คนที่ให้ไม่สละขาดเวลาได้ทรัพสมบัติมาแล้วได้เกียรติยศชื่อเสียงมาแล้ว ก็ไม่กล้ากินไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนกลายเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ยอมก็เห็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ไหมไม่กล้ากินไม่กล้าใช้นอนเฝ้าจนตนเองตายอะ่ะนั่นแหละเพราะโทษจากการให้ทานไม่สละขาดเอาละเราจะทาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเราจะกล้าให้แบบสละขาดประการสุดท้ายเราจะให้เป็นแบบว่าอุปจัดทานังก็คือหมายความว่า ให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นคือจะไม่ให้ด้วยจิตแง่งงอนแง่งอนให้ยังไงให้แล้วยังยึดติดหรือให้แล้วไปเทียบคนอื่นคนนั้นให้มากกว่าเราคนนั้นให้น้อยกว่าเราคนนั้นให้เท่าเราเราสู้เขาไม่ได้เราสู้เขาได้คนคนนั้นเอาหน้าคนนี้ไม่เอาหน้าการไปคิดเปรียบเทียบคนอื่นแบบเนี้เป็นการกระทบกระทั่ง การให้ทานที่กระทบกระทั่งผลจะตามมาคือไฟไหม้บ้านเนยะถ้ามีบ้านไฟจะไหม้บ้านน้ำท่วมพายุพัดโดนลิฟ์อะไรเงี้ยนะถ้ามีทรัพย์ทั้งหลายก็จะโดนโจนป้อนอะไรทั้งหมดเป็นต้นเลยนะแต่ถ้าให้ไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้ ในสังสารวัฏเราก็จะเจอภัยกันอย่างนี้มากอ๋อมันมาจากการให้ทานของเราที่จิตไม่สะอาดบริสุทธิ์นี่เองเอาละเราจะทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้นตราบเท่าสิ่นชีวิตให้ทานทอดผ้าพระกฐินที่ถูกต้องนิยมตั้งเนี้นว่าเออแล้วก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นยังญาณปัญญาให้เกิดขึ้น แล้วก็พิจารณามองอย่าคิดว่าเราไม่ได้เป็นประธานอย่าคิดว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของจีวร อ, อย่าคิดว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุแต่จงคิดว่าทุกอย่างในที่เราเห็นที่เรามาเกี่ยวข้องเรามีส่วนทั้งหมดไม่มีสักน้อยเลยที่เราไม่มีส่วนแต่อย่าให้จิตของเราคับแคบบุญไม่ใช่วัตถุ แต่วัตถุมันเป็นแท้วัตถุสิ่งของข้างนอกเขาเรียกวัตถุทานวัตถุทานไม่สามารถให้ผลได้แต่เจตนาทานคือจิตที่คิดจะให้อโลพาทานคือให้ด้วยความไม่โลภอโทสะทานคือให้ด้วยความไม่โกรธอโมหะทานคือให้ด้วยปัญญาความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเจตนาศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญา ที่เราประชุมเป็นธรรมสามัคคีในใจสิ่งตรงนี้แหละจะให้ผลติดตามกระแสชิตของเราไปในทุกอัตภาพในที่ที่เกิดแล้วเอาละอาตมาได้แสดงพระธรรมเกี่ยวในเรื่องของการกรานกระถินทอดกระถินและอานิสงอานิสงของพระอานิสงของโยมที่จะได้อันแรกถ้ายมให้ด้วยศรัทธา ยอมจะได้วัตถุสิ่งของที่บริบูรณ์สะอาดเอียบอ่องผ่องแผ้วไม่มีตำหนิเลย 2. ถ้าเราให้ด้วยความนอบน้อมเรามีบุตรหลานญาติมิตรบริวารเชื่อฟังไม่กระด้างกระเดืองอันที่สถ้าเราให้ถูกการถูกเวลาเราจะสมหวังสมปรารถนาทั้งโลกียธรรมและโลกุตระธรรมอันที่สี่ถ้าให้สลาขาดเราจะกล้ากินกล้าใช้กล้าลงทุนอันที่ห้าถ้าให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่น เราได้ทราบได้บุตรได้บริวารมาแล้วก็ไม่ถูกกระทบกระทั่งได้น้ำได้ไฟได้ลมได้พระลาชาเป็นต้นนี่คืออดนทีสงขอให้เราท่านทั้งหลายจงเรียนรู้ปึกจิตของตัวเองให้เกิดความเข้าใจและจงประกอบกิจกรรมในการบำเพ็ญทานกุศลที่เป็นการกระทอดผ้าพระกถินถวายผ้าพระกถินพร้อมได้บริวากรกถินให้ได้บุญให้เต็มที่เรามีโอกาสมาแล้ว จงตั้งใจในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อได้เป็นปัจจัยแก่ความพน้นจากกิเลสและกองทุกข์เท่าที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลา